ชีวประวัติของท่านเรวตาพิขุกรรมฐานาจริยะธรรมกติกะแห่งพระเอาตอยะพระอาจารย์เรวตาถือกำเนิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2514น่ณเมืองเมอละเมียงรัดมอนประเทศเมียนมาท่านเป็นบุตรชายคนที่แป ของคุณพ่อสาธนะทวีบุญพิทักษ์ชาวอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนและคุณแม่เมียจริงชาวเมืองเมะละเมียงลัดมอนท่านสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปีพุทธศักราช2537และประกอบอาชีพส่วนตัว โดยสอนคอมพิวเตอร์ที่ถิ่นกำเนิดเมืองเมอระเมียงเป็นเวลาห้าปีท่านเลวตะอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองห้า้สสิบสองที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน า, นานาชาติพระเอาตอยะเมืองเมอระเมียงพระอุปชาคือพระอาจาร ย, าย์ใหญ่ พระอาตยสยาดออูอาจินะอัคระมหากรรมัฏฐานาจริยะท่านเรวตะปฏิบัติกรรมฐานภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ใหญ่พระอาตยสยาดออูอาจินะสยาดออูจิตระและสยาดออูศีระท่านเรวตะ ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาโดยภาษาบาลีเมียนมาอังกฤษและไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถึงปัจจุบันพระอาจา ร, รย์ใหญ่พระเอาตอยะได้มอบหมายให้ท่านเรวตะทำหน้าที่พักกรรมฐานาจารย์สอนสมาะและวิปัสสนา แก่ผู้ปฏิบัติธรรมน า, นานาชาติทั้งบรรพชิตและฆราวาสทั้งเถรวาทและมหายานที่พระเอาต่อยะจาก22ประเทศราว163ท่านรวมทั้งสอนแก่พระพิสุชาวเมียนมาบางส่วนตลอดจนฝึกสอนผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นกรรมฐานาจารย์ต่อไป ท่านมักได้รับอาราธนาไปแสดงพระธมเทศนาภาษาเมียนมาที่วัดต่างๆในประเทศเมียนมาบ่อยครั้งและท่านได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติทั้งที่พระอวสตอยะและต่างประเทศหลายครั้งท่านเขียนหนังสือร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พระอวสตอยะเป็นภาษาเมียนมาสามเล่ม และผลงานส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งเร่มคือตื่นเถิดชาวโลกในพุทธศักราช2548ท่านเรวตะได้รับอารัธนาให้ไปสอนกรรมฐานหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พระเอาตอยะที่ประเทศสิงคโปร์ในพุทธศักราช2551ท่านเรวตะ ได้รับอาราธนาให้ไปสอนกรรมฐานที่ประเทศเกาหลีสองครั้งคือหลักสูตรสองเดือนสอนเดี่ยวพฤษภาคมถึงมิถุนายนและหลักสูตรหนึ่งเดือนสอนร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พระเอาตอยะพฤศจิกายนและได้รับอาราธนาให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนธันวาคมในพุทธศักราช 2,551 ท่านได้เขียนหนังสือธรรมะเป็นภาษาเมียนมาอีกหนึ่งเร่มและได้รับการจัดพิมพ์แล้วและท่านได้ดูแลตรวจทานการแปลคู่มือการปฏิบัติธรรมและหนังสือธรรมะทั้งของพระอาจารย์ใหญ่และของท่านจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยท่านเรวตะสามารถพูดได้สามภาษาคือเมียนมาอังกฤษและไทย คนไทยที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่พระอาวตอยะจึงสามารถส่งอารมณ์เป็นภาษาไทยกับพระอาจารย์เรวตะได้ท่านที่สนใจอ่านหนังสือธรรมะฟังท่านเรวตะสวดมนต์แสดงธรรมภาษาอังกฤษได้ที่ www.piku.rewata.ao.com สกด www.bhikkhurevatapaauk จุด e com <c oughs> และ w วิร์ลไ o ด์เว็บพะ t ้ o r ฟ s t รสต์ r อนัสทสกด www P A A U K F O R E S T M O N A S T E R Y จุด O R G ขอสปอนเซอร์เลเทอร์ได้ที่ You Can Dima Parout Taya at b e g a n Mail n e t mm สกอด P A A U K T A W Y A at B A G A N M A I L จุด N E T จุด M M เพื่อใช้ทำวีซ่าประเภท Meditation Visa เท่านั้น การเดินทางจากย่างกุ้งโดยนั่งรถบสัสสายย่างกุ้งมุดงซึ่งจะผ่านหน้าประตูวัดพระเอาตอยะขอลงหน้าวัดได้พระเอาตอยะอยู่เลยจากตัวเมืองเมอระเมียงมาทางทิศใต้ราวสิบกว่านาทีโดยทางรถ